หัดตรณีให้เป็นทีนี้พอหาทรัพย์สมบัติมาได้หาคุณธรรมมาได้อารักษคสัมปทาต้องหัดตรณีมากๆท่านทั้งหลายไปที่ไหนพระสอนให้ท่านบำเพ็ญทานให้เสียสลักอย่าตรณีมาที่เนี่ยหลวงตาองค์นี้สอนให้พวกท่านตรณีให้มากๆคนไม่ตรณีไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีเมื่อเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ เราต้องตระณีเมื่อเราเก็บหอมรอมริบจนเต็มพุงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มตุ่มน้ำเต็มตุ่มเราเทลงไปเท่าไรมันล้นออกล้นออกสับสมบัติที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนนน้อยขอยมถวายปัจจัยมาสี่บาทหบาทคลาแล้วคลาอีกอยู่นั่นแหละเพราะมันยังยากอย่างจนตอนเนี้ยใครให้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน มันล้นหนีไปหมดล้นเข้าไปโรงพยาบาลนี่ก็ไม่รู้กี่ล้านแล้วนี่เพราะความตรณีตรณีเก็บหอมรอมริบเอาไว้ทีนี้มันเต็มแล้วเราจะทำอะไรกับมันก็ทำได้อย่างใครขายที่ดินได้อย่าไปว่านะสาธุสาธุขอให้ขายที่ดินได้แล้วจะมาทำบุญกับหลวงพ่ออย่าไปว่าสาธุสาธุขอให้ขายที่ดินได้ขายได้แล้วข้าพเจ้าจะเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขนี่คือความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เรื่องการทำบุญเอาไว้คุยกันที่หลังนี่แหละคือสาระที่เป็นคำสอนของหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อสอนกันแบบนี้แหละ